ذالكا الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور นั่นคือความโปรดปานที่อัลเลาะห์ทรงแจ้งข่าวดีแก่วงบ่าวของพระองค์ซึ่งพวกเขาได้ศรัทธาและปฏิบัติความดีต่างๆจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดเพื่อการนี้เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติและผู้ใดกระทำความดีเราจะเพิ่มพูนความดีในนั้นให้แก่เขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงรู้คุณ ام يقولون افترا على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور رواه هو กล่าวว่าเค้ามุฮัมมัดได้อุปโลกความเท็จให้กับอัลเลาะห์ดังนั้นหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์พระองค์ จะทรงประทับตราบนหัวใจเจ้าก็ได้แล้วร่อนั้นทรงขจัดความเพทให้หมดไปและทรงยืนยันความจริงด้วยคํากล่าวของพระองค์อัลกุรอานแท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในซวงอกวะฮุวัลลซียักบะลุตเตาบะอะนอิบาดะฮูวะยะอ์ฟูอันอัสซัยอาติวะยะอ์ลัมมาตัฟอะลูนและพระองค์คือผู้ทรงรับการขออภัยโทษจากดวงบ่าวของพระองค์ และทรงอภัยจากความผิดทั้งหลายพระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำและทรงตอบรับการวิงวอนของบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายและพระองค์จะทรงเพิ่มพูน จากความโปรดปานของพระองค์แก่พวกเขาและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขาจะรับการลงโทษอย่างสาหัสวะละฮุบัสฏัลลอฮุรริซกะลิอิบาดิฮิละบะฆูฟิลอัรฎวะลาคีนยุนซิลุบิกัดรินมายะชาออินนะฮูบิอิบาดิฮิคะบีรบะซีดละฮักอัลลอฮ์ทรงประทานปัจจัยยังชีบ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 و هو على جمعهم اذا شاء قدير ละส่วนหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและพัณฑิตและสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแผ่กระจายไปทั่วในระหว่างทั้งสองนั้นอันได้แก่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายและพระองค์เป็นผู้ทรงอานุภาพที่จะรวบรวมพวกเขา وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ แล้วพวกเจ้าไม่สามารถจะหนีรอดไปได้ในแผ่นดินนี้และอื่นจากอัลเลาะห์แล้วสําหรับพวกเจ้านั้นจะไม่มีผู้คุ้มครองและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆเลยวะมินอายาติฮิลจาวาริฟิลบะห์ริกัลอาลามและส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของพระองค์คือมีบรรดานาวาเดินราบเรียบอยู่ในท้องทะเลดั่งภูเขา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 ਵਾ او يوبقهم بما كسبوا ويعق عن كثيرឬพระองค์จะทรงทำให้มันนาวาเหล่านั้นอัปปางลงก็ได้เนื่องด้วยความชั่วที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้และพระองค์ทรงอภัยความผิดให้มากต่อมากแล้ว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 ลาสิ่งใดที่พวกเจ้าได้รับนั้นมันเป็นเพียงการสนุกสนานเพลิดเพลินแห่งชีวิตของความเป็นอยู่ในโลกนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่มีอยู่ณที่อัลเลาะห์นั้นดีกว่าและจีรังกว่าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขามอบหมายแด่พระผู้อภิบาลของพวกเขาวัลละซีนยัจตะนิบูนกะบายรออิตมวัลฟะวาฮิชะวะอิซามาฆฎะบูฮุมยัฆฟิรูน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 فَمَن عَفَا وَأَصْلَح فَأجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ และการตอบแทนความชั่วก็คือความชั่วเยี่ยงมันแต่ผู้ใดอภัยและไกล่เกลี่ยคืนดีกันระวันตอบแทนเขาอยู่ที่อัลเลาะห์แท้จริงพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผู้อธรรม وَلَمَن انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ สบีลตาตะบุไดแก้แค้นตอบแทนหลังจากได้รับความอาถรรพ์ชนเหล่านั้นจะไม่มีทางตำหนิพวกเขาได้เลยอินนะมัสบีลอะลัลละซีนะยัซลิมูนนนาซวะยับฆูนฟิลอัฎดิบิฆอยริลฮักก์อูลาอิกะละฮุมอะซาบุนอะลีมส่วนที่จะเกิดโทษนั้นได้แก่บรรดาผู้ที่อาถรรพ์ต่อมนุษย์<พวก>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 بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل لا بوداي ที่อัลเลาะห์ส่งให้เขาหลงทางสําหรับเขาจะไม่มีผู้คุ้มครองภายหลังจากพระองค์และเจ้าจะเห็นบรรดาผู้อธรรมเมื่อพวกเขามอง وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ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 وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ لاَ سَنَدَ فَوْقَهُمْ جَاءَ مَنْ لَّن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا จะไม่มีทางกลับไปสู่ทางน้ําได้ istajib li rabbikum min qabl an ya'ti yawm la maradda lahu min allah ma lakum mim malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakeed จงตอบรับการเรียกร้องจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถอะก่อนที่วันหนึ่งจะมาถึง سưng mai mi thang chalik lien pai chak Allah dai la nai wan nan samrap phuak chao cha mai mi thi phak phing la phuak chao ko cha mai mi thang patiset duai fa in aradu fa ma arsalna ka alaihim hafiza in alayka illa albalag wa inna itha adaqna alinsana minna rahmatan farih biha وَإِذْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ تَدَب พวกเขาผินหลังให้ไม่ยอมรับการเรียกร้องดังนั้นเราไม่ได้ส่งเจ้ามายังพวกเขาเพื่อเป็นผู้ครุ้มครองหน้าที่ของเจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากการเผยแพร่เท่านั้นและถ้าจริงถ้าเราจะให้มนุษย์ลิ้มรสความเมตตาจากเรา เขาก็ยินดีปรีดาต่อความเมตตานั้นและหากครอบกรรมประสบแก่พวกเขาเนื่องจากมือของพวกเขาได้ประกอบเอาไว้แน่นอนมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณเสมอลิลลาฮิมุลกุสสมาวาติวัลอัรฎยะคฺลุคูมายะชาอูยะฮบุลิมันยะชาอูอินาซาวะยะฮบุลิมันยะชาอูอัซก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 หรือพระองค์ทรงประทานรวมให้แก่พวกเขาทั้งลูกชายและลูกหญิงแล้วพระองค์ทรงทําให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เป็นบรรพแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ทรงอานุภาพ او مِنْ وَرَائِحِ جَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لم يكن بانكونแก่มนุษย์คนใดที่จะให้อัลเลาะห์ตรัสแก่เขา เว้นแต่โดยทางวะฮีคือการประทานองค์การหรือโดยทางเบื้องหลังมาดหรือโดยทางที่พระองค์ทรง ส่งทูตมาแล้วเค้ามะหลักก็จะนำวะฮีมาตามที่พระองค์ทรงประสงค์โดยอนุมาตของพระองค์แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงสูงทรงผู้ทรงปรีชาญาณ وكذلك ارحينا ال اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم لاجلنالراไดองการอัลกุرانแกเจ้าตามบัญชาของเรา เจ้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอะไรคือคัมภีร์และอะไรคือการศรัทธาแต่ว่าเราได้ทําให้อัลกุรอานเป็นแสงสว่างเพื่อชี้แนะทางโดยนัยยะนั้นแก่ผู้ที่เราประสงค์จากวงบ่าวของเราและแท้จริงเจ้านั้นจะได้รับการชี้แนะสู่ทางที่เที่ยงตรงอย่างแน่นอนซิรอติลลาฮิลลซีละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรด الا الى الله تصير الامور คือทางของอัลเลาะห์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน